ฟังต่ออีกเราได้ฟังธรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าอมาัสสะเายลึกซึ้งดีนักชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความจนเลย เอามาเป็นวัตถุอุปกรณ์สร้างความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นเจือตัวเองได้ทุกรูปแบบไม่น่าจะจนแต่ไม่เกิดทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ไม่เดือดร้องความเป็นทุกข์มีเยอะแยะเพื่อทำจริงๆมีกายมีใจนี่ มีกายมีใจแล้วไม่พอมีศรัทธาเชื่อมั่นมีศรัทธาและมีความเพียรทำลงไปประกอบลงไปมีสติเสริมลงไปมีสมาธิตั้งลงไปให้มั่นคง ก็า เ, เกิดความดีขึ้นมาไม่มีอะไรลึกลับสัมผัสได้ในกายในใจเรลนี่ว่าจะมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาความดีก็เกิดขึ้นแล้วความชัว่วก็หมดไปแล้ว แม้จะมีอกุศลที่เกิดขึ้นก็หมดไปกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นถ้าทำอย่างน่้ก็จะมีความตั้งอยู่ควมงงามมั่งคัความเจริญความไปบุญความเป็นโลกในธรรมที่มีอยู่ในตัวเรานี่ก็จะเกิดความบันเทิงเกิดมาได้ แล้วก็มีวิธีปฏิบัติตสมบูรณ์แบบมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรใจอยู่เสมออะไรที่เกิดขึ้นก็เห็นหมดอดลึกลับ ไม่ต้องมีคําถามไม่ต้องมีความขออนุญาตใครสิทธิของเราปฏิบัติธรรมหนึ่งก็ถือว่าการทําบุญให้แก่ตัวเองได้มีความรู้จักตัวบุญเกิดขึ้นแล้วแล้วความเชื่อแล้วความทุกข์และความผิดกุศลเกิดขึ้นแล้ว มีบุญมีวาสนาแล้วมีทางไปแล้วเขียนลงไปแล้วแต่งลงไปแล้วที่กายที่ใจเรามีศินแล้วมีสติเวลามันหลงรู้จักตัวหรือว่ามีสินเกิดขึ้นแบบที่ตรงนั้นแล้วเรามันโกรธรู้จักตัวศินเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วนคืีนั่นเอง พอเอากายมาทาดีเอาวาจามาพูดเดียวใจว่าดีเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วศิลก็เกิดขึ้นแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วในขราวเดียวกันพระพุทธเจ้าตัดสัตว์รูไม่เคยขอศิลกับใคร มีจิตใจภายใกายเป็นประจำมีความเพียรก็เห็นชินขึ้นมาเป็นบุญนี่ว่าบุญวาสนาว่าสนาคือเขียนลงไปแต่งลงไปมันไม่ดีก็แต่งให้มันดีกายของเราวาจาของเราใจของเราทำได้ ความพร้อมที่จุดนะคราวเดียวกันบนวาสนาปัลลัมีไม่ใช่สิ่งอ้อนวอนเป็นสิ่งที่ปฏิบัติลงไปกับภายกับวาจากับใจนี่ถ้นมีร่องรอยขีดเช่นไว้ชีวิตที่มีเช่นไม่จะพิ่งอะไรทำเอง ก็ดีวันดีคืนขึ้นมาการสร้างโยมความไม่ละเลือนความไปบุนคุ้มงานก็เกิดขึ an. ้นเป็นอเนกสง์ผู้พิทามทมย่อมรักษาผู้พิทามอยู่เป็นนิพทมย่อมรักษาผู้พิทามผู้มีธรรมไม่ตกแต่ที่ชั่วก็อาธรรมกวดไป อาธรรมนําไปสู่นร ก, รกเกิดความโกรธความโลภความหลงธรรมย่อมนํมาไปถึงสุขติสัมผัสใจเองรถชาต่างกันจึงมาศึกษาลองดูมาพิจารวาตัวเองในชีวิตของเรานี้มี โอที่อยู่ในชีวิทุกคนฟังเสียงทุกเสียงเหนยเสียงพ้าสวดมนต์คนทุกคนเป็นโอทิเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่ น, นั่นจะจนเรื่องนี้เลยไม่น่าจะร้องไห้ไม่น่าจะเศร้าโศกยเยอะแยะ พอตั้งไว้ดีๆก่อนจะเห็นทางถ้าเรามาฝึกว่ายิ่งดีใหญ่ยิ่งดีจะได้เป็นเลนเป็นตาไวในชีวิตของเราครั้งหนึ่งเราเคยทำอย่างนี้จะไม่ได้จนถึงเขาจนก็จะไม่ได้จนถึงเขาทุกก็จะไม่ได้ทุกเพราะเรามี ตาในชีวิตของเราแล้วจะได้จำมาใช้แน่นอนที่จดชืวิของเรานี่ารูกทำนามทำนี่มันตกอยู่ในความไม่เที่ยงมันตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใชตัวตนแล้วเกิดมันดับแล้วก็มีการเกิดเจ็บเจบตายชีวิตของเราถูกตัดฉีนแล้ว จะยอมทุกคบความเก็บจองทุกหวงมตายหรือมันมีตรงกันข้ามอยู่ถ้าเราเปึกไหวก็หัดตรงกันข้ามแต่ที่แรกเห็นตรงกันข้ามเลยข้าวแรกเปลี่ยนหลงเป็นลูกนี่ข้าวแรกหันหลังให้คนละทางมันจะเก่งไปเก่งไปจนถึงสุสด ต่เราที่มาเกิดกับกายกับใจเปลี่ยนได้ทั้งนั้นว่าจะมีสติมีศรัทธามีความเพียรเปลี่ยนได้หมดหรือเปลี่ยนร่ากเป็นดีได้หมดให้มองเป็นสองทางตรองกันข้ามจะไปจน เวลาเ า, าปฏิบัติจงเห็นชัดเจนมาเกิดให้เราเห็นให้เกิดให่เราได้ปฏิบัติกับสิงที่มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องมาผิดให้เป็นถูกมาไลา่เป็นดีทำได้ไม่ต้องขอร้องไม่ต้องขอญาตใครมีสติผูกคาดในควองชอบธรรม ถึงมาฝึกตนสอนตนจะได้นำไปใช้ได้เดี๋เราเก็บเราจะทํำยัางไงเวลาเราหลงจะทํำยัางไงเวลาเราโกรธจะทำยัางไงามันต้องเก่งไปจากนี้เหมือนเราเรียนหนังสือกไก่ขอขขใครคณิตศาสตร์มีแต่งเจอฆ่าแตกขานไปเองแตกขานในการในใจเรานี่ เรียกว่าปัญญาความโลกรู้ในกองสังขารคือกายคือ ใ, ใจเรานี่ปัญญาพุท ธ, ธะไม่ใช่ปัญญาแบบโลกโลกจึงตัวใครตัวบ้านก็ช่วยเราไม่ได้เราเจ็บคนเดียวเราตายคนเดียวเราจะทำยังไงกน เกิดป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกขความตายเป็นทุกข์ความภาภา ก, ก, าาากของเลาะของเทใสก็เป็นทุกความไม่สบายกายก็มไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปัตนาเึีงใดไม่ได้สุียนั่นก็เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้ไหมยอมแล้วหลือลองศึกษาดูจะพบททาง นั่มันเป็นอย่างนี้มีความทุกข์จังอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วทำจะไหนการทตอที่ชุดแหงกองทุกข์นี้จะปรากฏชัดใจเราได้จิละปะริณิพุทธรรมเปิดทงอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าทำอย่างไรปราะหานทำอย่างไรจึงอยู่เหนือทุกข์ได้ เราทตามพระทีเจ้าก็มีอยู่ในตัวเรานี่แล้วโนโพธิคือจ ต, ติปูกขึ้นปาในกายเอามาผิดให้เกิดความรู้จึกตัวไปในกายให้มีความรู้จึกตัวมีพื้นที่แต่ก่อนกายนี่มันเตปติเตปะใจก็เตปรเตปะใจผิดพลาด กิจใจก็ใช่ผิดมาไม่เคยหัดให้มีความถูกต้องผิดก็เป็นผิดทุกข์ก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์ก็ลองหงอยว่าถูกก็หัวเลาะวันนี้มามื่สติลงพื้นที่แทรกลงไปในจิงที่มันไม่ถูกต้อง ลงไปทุกเพื่อนที่มันเกิดอยู่ที่กายใจเรานี่เมือนก็นหน่อโพธิ์เม่มีหน่อโพธิ์เกิดขึ้นมาก็มีสติมีปัญญาขึ้นมาโดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาจากแบบใดก็ได้ละที่ใดก็ได้มีความรู้จึกตัวนี่อันเดียวกันหมด เป็ชาติใดภาษาดตติใ ด, ด, ดิการใดเหตุใไวไดวัยใดถ้ามีสติก็เป็นอันเดียวกันหมดไม่เป็นค น, ลคนเลิคนโดยมีสติก็เลิวความชั่ออยู่แล้วเหมือนกันหมดถ้ามีสติก็ทําความดีเหมือนกันหมดถ้ามีสติจิจก็บริสุทธิ์เหมือนกันหมด รวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเกิดชันได้ร่อดอกไม้นี่คือธรรมคืวินัยปฏิบัติตามธรร ม, รรมคือธรรมอย่างนี้เลยจนได้ร่ดอกไม้เราเราลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างนิสัยใ จ, จยคอที่ฝึกหัดมาไม่ได้หัดมาการคิดเฉยใดก็เป็นแบบนั้น ต่างพ่อต่างแม่ต่างนิสัยเหมือนดอกง่ายที่ต่างต้นต่างลักษณะต่างสีต่างกินเอาเชิได้มร้อยเข้ากันกลาเป็นพวงมาลอยดูเป็นระเยียบเรียบร้อยพี่เจ้ายังบอกว่าทาไว้ในเราตัดไยูีแล้วปฏิบัติตามทำทไม่ไน วัตถิปัตตาโมก็มีสติกปในกายเป็นประจำลุกคนก็มีกายกายเป็นมหาพุทธรูปเป็นรูปอาศัยให้ทําความดีให้เกิดความเป็นธรรมได้แต่ถ้าเรามหัดไม่สอนไม่ เ, เกิดความเป็นธรรมได้เมื่อเป็นธรรมก็อาศัยมันมาได้บางทีก็ ทำลายได้ทำลายคนเดินได้ชิงงวัตถุเดินได้แล้คนก็นมาเข้าเช้นได้ซะเป็นคนคนเดียวกันนิสิจตจะเป็นชาติใภาษาใดคนเดียวกันหมดนี่เป็นของอัจฉริยะนี่เป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้และจึง เป็นโมดุลของเราอย่าให้จนเรื่องนี้กันมีเป็นสารีทรัพย์ภายในติดตัวได้ทุกโอกาสอุปกาและคุณมีผลมากไม่กระตือรือร้นอยู่ทุ่อะไร มีนิพพานอยู่ที่นั่นปกติเกินดกเกินใจไม่เป็นอะไรกับปีนที่เกิดขึ้นกับตากับใจเห็นเหมือนหมดแล้วมันคือเรื่องเก่าถ้าเป็นอกุศลก็คือความหลงค ว, ลความโกรธความโลภถ้าเป็นกุศลคือความไม่หลงความไม่โกรธความไม่โลภความไม่ทุกข์ก็มีเท่านี้ แยกทางกันที่นี่อกุศลไปสู่นรกกุศลนำไปสู่สุขติแยกกันที่นี่ถ้าหลงเป็นหลงไปสู่อบายเท่ากับขนโคลไปสู่สวรรค์ในภานเท่ากับเขาโคถ้าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์ถ้าหลงเป็นลูกไปสู่อบายเท่ากับเขาโค ัปโฉสุขติเท่ากับขนโคมันมากจนนี้ถ้ามีชจิมีคติสองลักษณะหนึ่งเป็นมนุษย์สมบัติสองเป็นสวัสด์สมบัตินิพานสมบัติแต่เป็นผู้ไม่ถ้าไม่มีชจิก็เป็นอาวบายประเภทใดเป็นหนึ่ง สันนโรกเดือดฉานที่สุรกายเป็ดถ้าหลงถ้าหลงเป็นหลงหลงก็ไปไกลทุกเป็นทุกพาไปไกลโกรธเปนโกรธพาไปไกลาพวกเราก็บำบัดในจิงเหล่านี่อยู่ให้ความโกรธอ่นอยู่กับชีวิตเราข้ามวันข้ามคืนั้งท่าที่มันเป็นทุกข์ก็พอใจถ้ากูได้โกรธกงไม่ยอม เอามาคิดแล้วเอามาลงโทษตัว่างคิดกัดต่อดตัวงให้เจ็บปวดอย่ากว่ามนุษย์เดือดชาหนมนุษย์สั่บตโตก็ทุกข์อยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จกวางเพราะไม่เคยหัดวางก็วางไม่เป็นทุกข์เราก็เห็นอยู่ กิข้าวก็มาลงนอก็มาหลับถ้าสิ่งไม่นี่ไม่มีก็สุขสบายก็เห็นกันอยู่ไม่ทำให้เจริญบางทีอาจจะค์้มหลงอาจจะมากกว่าหมกมุ่นคนคิดเป็นภาละหนักเต็ปไปด้วยต้องรอยแห่งความไม่ดีในชีวิตของเรา มันล่างบางมันมามีสติล่างบางมันถ้ามันศาสตร์บริสุ์หมดจดจากเครื่องชมองหงมีโรคโกดสงเป็นต้นหมดไปเราจะเป็นชช่นายถ้ามีความประทามเกิดขึ้นที่ตัวเราๆวก็มีความประชามเกิดขึ้นอีกมากมายสูกระทต่อจิงอื่นวัตถุอื่นในทางดี พวกเราเป็นสัตว์สังคมมีพ่อมแม่มีพี่มีน้องมีลูกมีหลานก็ออยิ่งจะเป็นประโยชน์ เ, เราเป็นพ่อแม่ถ้าเราเป็นลูกของพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความสุขลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขลูกเป็นคนชั่วพ่อแม่ก็มีความทุกข์มันเกี่ยวข้องกัน ความปรารถนาของพ่อเปนพ่อแกร์ต้องการอยากให้ลูกเป็นคนดีหิวความดีของลูกถ้าลูกให้ดีก็หิวเป็นเปรตของลูกปลาชัตัวปีกีวีเปรตหิวความดีของลูกเพราะไม่เคยอิยม่มออกอิ่มใจพ่อลูกเลยขาดแควนอยู่เสมอ พ่อแม่หิวความดีของลูกอยู่ตามแต่ลูกก็ยังไม่ใช่นี่พ่อแม่เลยเป็นนี้ยังเป็นนี้อยู่แต่ถ้าเราเป็นคนดีแล้วพ่อแม่ก็ยี่ยมใจยี่ใจเรใช่นี่ได้ก็เป็นบุญได้พ่อแม่ก็ได้จะหวนนิพพานพอลูกลูกของคนมีสองลักษณะอาภิชาตบิบุตรบุตรที่ประเสริฐมีเหมือนกัน เห็นในชาติจะบุทบทที่เร็วสามทจุดก็มีเหมือนกันเราจะเปนบทเช่นไรเราทุกคนมีพ่อมีแม่จะเอามือจะอาร่างกายไปทําชั่วเจะเใจไปคิดชั่วสงสารพ่อแม่สงสารจริงๆพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่ใช่ให้เราไปทำชั่วผูชว้ชั่วชั่วทํำไม่ลงถ้าเรามาลู่ทำมาแล้ว รู้จักจบุญคนทุกชนโดยได้รูปได้นามมาเพื่อทำความดีเอามาเป็นอุปกรณ์ทำความดีรูปนามคือกายใจลราึ่งถ้าทำชั่วไม่ได้สงสารพ่อแม่โกรธก็สงสารพ่อแม่จะโกรธก็ไม่ได้หรอกสงสารพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยากให้เราโกรธไม่อยากให้เราทุกข์ถ้ามีผัวมีเมียก็โกรธไม่ได้สงสงสคน ใกล้คิดเป็ น, อ น, น, อนทุกเกิดนอนทุกกนเป็นถ้ารักพก่อรักแม่เราต้องเป็นคนดีรักผัวนรักเมียเราต้องเป็นคนดีรักพื่รักน้องเป็นคนดีตลอทั้งรักประเทศชาติก็ต้องเป็นคนดีโดยแสดงออกทางคติมีการมีใจมีวาจามีอะไรความว่าใช้เกิดความดีเชืช่อแจ๊เกิดจากคนคนหนึ่ง สร้างโลกได้มืนิ้วฉีนิ้วหนึ่แต่ถ้าไม่ดีแล้วเกิดโคตรจะคนคนหนึ่งทำลายโลกได้มือหนิ้ว1ี 10. นิ้วหนึ่งจึงอยากจะมาชวนกั น, นสร้างชีวิตของเราเนี่ยมีกายมีใจเอามาทำความดีให้เกิดความดั่งธรรมขึ้นมาถ้ามีพ่อแม่พ่อแม่จะได้เห็น เทินจงกรมให้พ่อแม่ดูนั่งสมาธิสรางจิวิญญาพ่อแม่ดูรีกว่าไปทำอะไาที่ไม่ก็จะได้เป็นมงค์ขนแก่พอจะพูดจาดีเ ย, ยี่ยมวิญาดีแสดงออกคนที่อยู่กล้คิดเราเนี่ยให้ความสำคัญมากกว่าคนไกลทำลงไปในความดีจะได้ไม่ผิดพลาดบาที่อาจจะไมไ่อยู่ด้วยกัน สามการที่สคือตัวเราเนี่ยตั้งต้นจากตัวเราเนี่ยเราจะดูแลตัวเรายัางไรปล่อยตัวเราทิ้งมานานแล้วจะคิดจึงใดรู้สึกตัวจะพูดจึงใดรู้สึกตัวก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดมีสติรู้สึกเลืกได้จึงเอามาจับความคิดมาชใช้จับตายมาใช้จับคิดใจมาชใช้ เวลานี้มันใช่เราถ้าเราไม่ฝึกใจก็ใช่เรากายก็ใช่เราต่าต่งตางๆหูจมูกเรื่องกายใจใช่เราสอกสอกอ ก, อกไม่จะอยู่เลยเสื้อหุปากใจและปากกินอาหารไม่เหมือนกันตา ก, กินอาหารแบบหนึ่ง ต้องงามมาเลี้ยงมันหูกินอาหารแบบหนึ่งจะหมกตีนกายใจกินอาหารแบบน่มากทุกสุดแต่ว่าลูกที่เป็นมหาปุถุลูกหาหมาป้อนจนหอมจนโศกโผชินหอมหอมหอมจบพ อ, พ อ, พ อ, พ อ, พอถ้าไม่หาดกัะดุกลายบ้าเป็นทิศตรงโทษตัวเองไอ้ลูกนามหนี่ย แต่ทำผิดก็เป็นทุกเป็นโทษ ต, ตัวเองและคนอื่นถ้าหาดดีๆก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่วตัวเองและคนอื่นมันต้องนับหนึ่งจากตัวเรานี่เอาละลูกพ่อนี่แม่นี่เราคนหนึง่งคิดขึ้นมาเราคนหนึง่งโตจะเป็นลูกชายของพ่อแม่ล้วเป็นลูกสาวของพ่อแม่ ยื่นหนะ้าอกไปตบใส่พ่อแท้แมแล่ลูกชายของพ่อกอแม่เลไม่เร็วนะพ่อจะไม่เร็วนะไม่เสียค่าน้ำนมนะว่าอย่างนี้ทำไมว่าเวลาที่อื่นก็ไปยื่นอกใส่แต่เวลาที่พ่อแม่ใกล้จะตายยื่นหนะ้าอกใส่พ่อแม่นอนอยู่ใกล้จะตายเราผมเป็นลูกชายของพ่อของแม่ผมจะ ไม่ชั่วนะพ่อนะผมจะดูแลพี่น้องทุกคนผมจะพากันํารงแบบคนไม่ทะเลาะว่ากันเลดขาดพ่อแม่ไม่ต้องห่วงแต่เป็นลูกสาวกับพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหนูทำอาหารเป็นทำ น, า เ, นาเป็นผูกข้าวเป็นทอผ้าเป็นทำนุ่งเป็นไม่ต้องห่วงจ้ะ อยู่ด้วยความสมาธิอย่าที่ไม่มีอะไรที่ไปอ้างทำอะไรก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่ค่อจะดีสแสดงก็ออกว่าาน้อยก็มานั่งสมาธิหรือพุทสมาธิเดินจงกรมลุมกกองแขงขะส้นขะยาวาผมไหลเดินจงกรมกลับไปกลับมานั่งสมาธิ มือชาตจังหวะไปไหนชวนพ่อชวนแม่เขาวัดเขาวาลองดูเหมือนเด็กน้อยสมัยค้าพทธการคุยกันเรื่องพระรตราตา่เคยมีประวัติเด็กน้อยไปเล่นกันก็คุยกันเฮ้ยเธอมีพราตาอยู่ยังมีแล้ว เธอมีพลัตระตะไตเมื่ออายุเท่าไหร่อายุเจ็ดปีแปดปีไอ้ป่วยเป็นเนรคนหนึ่งก็คุยว่าเฮ้ยเรามีผลัระตะไตตั้งแต่อายุดเด้อนหก เ, เดือนเอาหกเดือนยังไงหกเดือนเธออยู่ในคันของแม่นอนโอ้ตอนนั้นช่แม่เมทมีมีเราเกิดขึ้นในคันหกเดือนแม่พาเราไปฟัง พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแม่ของเราก็แสดงตนถึงพระรัตนตายพุททางสรนังกจามิธรรมังสรนังกจามิสังกังสรนังกจามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระทางพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพเจ้าถึงพ้นจากทุกข์ทั้งควงได้แม้แต่ลูกเพิ่งเกิดได้หกเดือนก็ถึงพระรัตตายด้วยแม่บอกเราอย่างนี้เพราะนั้นเรามีพระรัตตายตั้งแต่อายุหเดือน อวดกันทุกวันนี้อวดกันเรื่งองรถปอยใส่ยี่ห้อดันซีเท่านั้นซีเท่านี้นไม่ถึงควรธรรมว่าหรอนี่กลับมาหาชีวิตของเราจริงๆเถอะชีวิตขอเราไม่ใช่อยู่วันเดียวแต่วันนี้เป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ชั่วโมงนี้ทาอะไรละคนชั่วเดี๋ยวนี้ทำคนเดียวนี่เอามือห้านี่เฉียวมาสร้างความรู้จึกตัวกันมา ในวินาทีมันจะตั้งต้นที่นี่ได้ไม่ใช่พวกนี้พวกนี้มีแต่ไม่มีใครเห็นพวกนี้ปีน้าก็มีไม่มีใครเห็นเมื่อวานก็มีแต่ไม่มีใครเหคือเห็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้จะทําดีทําเดี๋ยวนี้แต่ละความชั่วละเดี๋ยวนี้มีความดีให้เราทําเดี๋ยวนี้มีความชั่วเราละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็มีพวกนี้ฝีนี้ไปนา มันล่งเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ตามเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะมีอะไรดีหรือเปล่ามัวแต่ปล่อยให้ความหลงย่มยีชีวิตใจของเรากรรมฐานเป็นวิชาที่เข้าแบบเข้าพิมพ์แบบหล่อให้เกิดทิ่งวั ง, งามขึ้นมาวินาทีนี้มีค่ามากอะไรที่เป็นความวดีครับเดี๋ยวนี้เลย รวมดีก็ทําขึ้นเดี๋ยวนี้เลยให้มันก่อขึ้นก่อขึ้นก่อขึ้นเป็นทางไปถ้าเริ่มต้นได้ก็ไปได้งานถ้าเริ่มต้นใดก็ตะเปดิดตะมะผมรู้คุกขานเราจะมีสิงวัดรอบมีเพื่อนมีมิตรก็ดีมากับเป็นกลุ่มชวนกันมาช่วนกันก็ดีเป็นสิ่งวัดร่องที่ดี คนหนึ่งเขาเดินจงกรมโหล่จําานอนอย่างไงคนหนึ่งเขานั่งสมาธิโหล่จะมาเล่นอย่างไงพูดอะไรระมัดระวังแม่ไม่จะดึงไปที่นู่นคนมีลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมียคนมีผัวคิดถึงผัวคนมีความทุกข์คิดเึ็นความทุกข์คนมีความรักคิดเึ็นความรักคนมีความโกรธคิดเึ็นความโกรธ ดึงมกลัมากลาอยู่ทนี่มันไปลดากลับมาดีไดสอนวันสนุกสอนตัวเองมันจะออกมาให้เราสอนหมดมันเป็นคนเช่นไรที่มีใจเช่นไรที่มีนิสัยแบบไหนมันจะออกว่าให้เราสอนมสอนถริงด้ดีขึ้นมาเดี๋ยวนี้ ามาันคิดไปทางโน้นกลับมานี่เวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิด5วันหวันนี้มานั่งสร้างสตินี้เวลานี้ไม่ใช่มาคิดมาต้องใช้สมองให้มีกรรมการากระทามกิขึ้นมาให้รู้สึกตัวนี่ไดสอนแล้วเราสอนอีกจะนด้กลางง่าสจะหลงต่อไปก็ชื่อรู้เมื่อมีความรู้มากขึ้นความรูกก้ก็กาะกุจอรูดช่วยตัวไปเลย มีกายในกายกายดูกายเองมีจิตในจิตจิตดูกิตเองในทัวมันเองจะบังคับไม่หลงมันไม่โหลัจะบังคับไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์เพราะไม่ถูกต้องความหลงความทุกข์ควโกรธความฟุ้งซ่านไม่ถูกต้องความปกติเป็นชีวิตเป็นบ้านของชีวิตเราปกติกายปกติใจเป็นบ้านของชีวิตเราบ้านของชีวิตเราอยู่ที่นี่ ก็ได้ชีวิตที่นี่ได้ชีวิตที่ปกติปกตินี้เป็นศีลเป็นสมาธิป็นัญญาเหนือการเกิดแก่เสด็บตายได้ตอนนี้จิตเราไม่มีบานจิตพัดทินเกินเป็นความเกินว่าฝันกลางวันวัยยศร้อยไม่ปกติจิตไม่มีบานเป็นจิตที่อาภัพอับจนหอมหิ้วไปนั่ก็ไปคิดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง อ น, นีก็โหลดไปกับความสุดความสิดดึงไปลากไปค่งร้อยคุมดีไปวันนี้มหาเกิษมีบ้านปกติกลับมาเนี่ยก็จะมีสุขภาพดีมีบุญบุญก็คุ้มครองรักษามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็กระทบกระเที่ประสิ่งต่างๆเมื่อมีความ เชื่อมื่อความชั่วหมวดไปคงไม่มาเทนากเจะที่ไม่ดีจะจะดีมาเทนเกิดเมตตากาุณาชีวิตปู่พมคิดเห็นโดยประกอบด้วยเมตตาทําย่างใดประกอบด้วยเมตตามื่อก็เกิดการกระทําึงนาในความดีเกิดขึ้นมากมายมีแต่ความดีทําความดี แต่ละไรก็เป็นความดีพูดอะไเป็นความดีทำอะไรก็เป็นความ ด, าคามดีความดีเกิดขึ้นก็เป็นบนุญบุญเกิดขึ้นก็เป็นครอมจวนโลกโลกจะได้เพราะบุญเป็นสินค้าจวนถ้าทำมีบาปว่าเดือดร้อนโลกเดือดร้อนจังมาช่วยกันเถอะเราก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง มีแผ่นดินอาศัยมีเพศ ช, ชาติมีอากาศมีแม่น้ำเดี๋ยวนี้ม่วันเมื่อวันสองวันก็ผ้าผ้าบ้านใกล้ๆนี่เขียนเหรียญหลวงพ่อฝังเหรียญทองแดงผ้าผ้ า, า, าขนาดตัดอ้อยไม่เลยตายไปเลยเมื่อวานเมื่อักอนก่อนก็มีคนไปลักเด็กมาจากตำบลหนองสัง ตามมาได้ทีบ้านป่าโมอบ้านเชียงป่าโมอเด็กไปหาหอยฝนตกเดือนพอห้าจับบีบคอขึ้นนั่งว่วใ่วิ่งมาก็หลอกกันดักกันมาได้ที่บ้านเชียงข้า ม, มืดได้แต่รถกับเด็กตัวมันวิ่งเข้าป่าอ้อยมืดแล้วก็ตามไม่ได้ มิฉาชีพเกิดขึ้นต่อไปไม่ปลอดภยัยจากพวกเราที่ใช้ชีวิตเพราะไม่เคยมีโอกาสตาอคนต่อเดือดเดงเอาแต่อะไรก็พึ่งกันมาไดแ้แต่เราก็พึ่งตัวเราไม่ได้คลมหน่อยคลุมดีไม่รู้จะเป็นยังไงหนีใจก็พึ่งใจไม่ได้คลุมหนอยคมดีมันมั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วแต่อารมณ์จะพาไป อ, าอันตรายจกลงเดือดร้อน ไม่ค่อยปลอดภัยทื่แหังค่อยกิดภน่อคนไม่เป็นคนดีเราอะไรก็อันตรายหมดแผ่นดินก็เอาใส่มาได้ แ, แม่น้ําก็อาใส่มาได้อากาศก็อาใส่มาได้เดินไปเล่นปนาก็มีแต่พิษพัยในน้ําก็มีพิษอากาศก็มีพิษใดินก็ไม่พิษอาหารก็มีพิษ ต้องศึกษอกันถึงพฝุ่นลให้ชัดเจนแม่นยำช่วยกันหลังคนสมัยเดินท่าแม่ตากในหลังเขาลงน่การไปบ้านไนไปตรวจเลือดเอาสารสุกไ ป, ปด้วยเลือดปวกเกือบแปดสบซคนหลังเขาเนี่ยหลังคนบ่อยๆทำไมาจึงเลือดปวกผักก็ปลุกกินเองอาหารก็ทำกินเอง ก็ถามว่าคุณเดินไปเล่ยไหมเดินไปทุกวันที่ทางคุณเดินไปนี่เขาฉีดยาไหมยาฆ่ายาไหมก็ท า, านทุกวันเพราะนั้นแหละมันซึมดิ้นนี่ไม่มีพิษแล้วมันเข้าสู่ร่างกายได้พิษไยต่างๆแต่กนกินน้ำร้อยวั100วร้อยขวาได้ไปเล่าไปนาไม่ต้องตักน้าไปเดีย๋ยวนี้อาภัพเหลือเกินพวกเราธรรมชาติลงโทษเราเพราะคน ไม่เป็นคนดีเกิดล่อนไปทั่วทุกคนมีที่นี่ห้ารอยไร่ไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษคุยเคมีไม่มีสารเค ม, มีไม่มีที่นี่สิ่งที่บริสุทธิ์มาจากลร่าชาว่างก่อนให้น้ำนํำไหลออกไปไมาให้เข้าในสระน้ำที่ในนี้ไหลตรงนึงมาเถอะมาที่นี่ถือว่าพอ ปลอดภัยที่หัวใจเห็นดินนี้ไม่มีพิษไม่มีปั า, าช่วยกันคนไทยต่วอายุใหประเทศชาติเราเป็นคนดีหนึ่งตัวเราเนยนับหนึ่งจากตัวเราถ้าบม่นับหนึ่งจากเรามันก็ไม่มีสองไม่สามทุกคนนับหนึ่งจากตัวเองคนไทยนี่หกสิบ้าหบกล้านคน น, นับหนึ่งจากตัวเราทุกคน สงบพร้อมเย็นทันทีแข่งขวางกันมาปฏิบัติธรรมนอะอาเ้ยสบกวันใช้เวลา